กุมารบบพระวันนาฝ่ายชูชกไปจนถึงฝั่งโบคารนีสี่เหลี่ยมตามทางที่อัจจุตดาบดบอกคิดว่าวันนี้เย็นเกินไปเสียแล้วปัตนี้พระนางมัสีจักเสด็จกลับจากป่าขึ้นชื่อว่าผู้หญิงย่อมกระทําอันตรายแก่ทานพรุ่งนี้เวลาพระนางเสด็จไปป่าเราจึงไปสู่อาสมบท เฝ้าพระเวสสันดรราชฤาษีทูลขอกุมานกุมารีทั้งสองเมื่อพระนางยังไม่เสด็จกลับก็จับพาสองกุมานกุมารีนั้นหลีกไปจึงขึ้นสู่เนินภูผาแห่งหนึ่งในที่ไม่ไกลสะนั้นนอนณที่มีความสำราญก็ราตรีนั้นเวลาใกล้รุ่งพระนางมสศีได้ทรงพระสุบินความในพระสุบินนั้นว่า มีชายคนหนึ่งผิวดำนุ่งห่มผ้ากาสายะสองผืนทัดดอกไม้สีแดงทั้งสองหูถืออาวุธตะคอคขู่มาเข้าสู่บรรณศาลาจับพระชดาของพระนางคร่ามาให้พระนางล้มหงายณพื้นควักดวงพระเนตรทั้งสองและตัดพระพาหาทั้งสองของพระนางผู้ทรงกันแสงอยู่ทำลายพระอุระถือเอาเนื้อพระหัทไทย ซึ่งมีหยาดพระโลหิตไหลอยู่แล้วหลีกไปพระนางมัสีตื่นบรรทมทั้งตกพระหทยัยทั้งสะดุง้งทรงรำพึงว่าเราฝันร้ายบุคคลผู้จะทำนายฝันเช่นกับพระเวสสันดรไม่มีเราจักทูลถามพระองค์ทรงคิดชะนี้แล้วจึงเสด็จไปเคาะพระทวารบรรณสาลาแห่งพระมหาสัตว์ลำดับนั้น พระมหาสัตว์ทรงสดับเสียงเคาะพระทวาร น, นั้นจึงตรัสทักถามว่านั่นใครพระนางทูลสนองว่ามอมชั้นมสซีพระเจ้าค่ะพระเวสสันดรตรัสว่าแน่นางผู้เจริญเธอทำลายกติกาวัดของเราทั้งสองเสียแล้วเพราะเหตุไรจึงมาในเวลาอันไม่สมควรพระนางมัสีกราบทูลว่า ข้าแต่สมมุติเทพหม่อมฉันไม่ได้มาเฝ้าด้วยอำนาจกิเลสก็แต่ว่าหม่อมฉันฝันร้ายพระเวสันดรตรัสว่าถ้าอย่างนั้นเธอจงเล่าไปพระนางมสีก็เล่าถวายโดยทำนองที่ทรงสุบินทีเดียวพระมหาสัตว์ทรงกำหนดพระสุบินนั้นแล้วทรงดำริว่าทานบา ร, รมีของเราจากเต็มรอบ พรุ่งนี้จะมียาจกมาขอบุตรทั้งสองเราจะยังนางมัดสีให้สบายใจแล้วส่งกลับไปทรงดำริชนี้แล้วตรัสว่าแน่มัดสีจิตของเธอขุนมัวเพราะบันทมไม่ดีสเสวยอาหารไม่ดีเธออย่ากลัวเลยแล้วตรัสปลอบโยนให้สบายพระทยัยแล้วตรัสส่งให้เสด็จกลับไปเมื่อราตรีสว่าง พระนางมัซีทรงทํากิจที่ควรทําทั้งปวงแล้วสวมกอดพระโอรสพระธิดาจุมพิตพระเสียนแล้วประทานโอวาทว่าแน่แม่กัญหาพ่อชาลีวันนี้แม่ฝันร้ายเจ้าทั้งสองอย่าประมาทแล้วเสด็จไปเฝ้าพระมหาสัตว์ทูลขอให้พระมหาสัตว์ทรงรับพระโอรสและพระธิดาด้วยคําว่า ขอพระองค์ยาทรงประมาทในลูกน้อยทั้งสองและทรงถือกระเช้าและเสียมเป็นต้นเช็ดน้ำพระเนตรเข้าสู่ป่าเพื่อต้องการมูลพลาผลฝ่ายชูชก ค, คิดว่าบัดนี้พระนางมัสีจักเสด็จไปป่าแล้วจึงลงจากเนินผามุ่งหน้ายังอาสมเดินไปตามทางที่เดินได้เฉพาะคนเดียวลำดับนั้นพระมหาสัตว์ สเสด็จออกหน้าพระบรรณศาลาประทับนั่งดุจสุวนรณปติมาตั้งอยู่ณแผ่นศิลาทรงดำริว่าบัดนี้ยาจกจากมาก็ประทับทอดพระเนตรทางมาแห่งยาจกนั้นดุจนักเลงสุราอยากดื่มฉะนั้นพระราชโอรสและพระราชธิดาทรงเล่นอยู่ใกล้พระบาทมูลแห่งพระราชบิดาพระโพธิสัตว์ ท, ทอดพระเนตรทางมา ก็ทอดพระเนตรเห็นชูชกพรามมาอยู่ทรงเป็นเหมือนยกทานทุระซึ่งทอดทิ้งมาเจ็ดเดือนจึงตรัสว่าแน่พรามผู้เจริญแกจงมาเถิดทรงโสมนัสเมื่อตรัสเรียกพระชาลีราชกุมารจึงตรัสพระคาถานี้ว่าแน่พ่อชาลีเจ้าจงลุกขึ้นยืนเถิดการมาของพวกยาจกในวันนี้ปรากฏเหมือนการมา ของพวกยาจกครั้งก่อนๆพ่อเห็นเหมือนดังพรามความชื่นชมยินดีทำให้พ่อมีความกเกษมสารบรรดาคาเหล่านั้นข้อว่าปรากฏเหมือนการมาของพวกยาจกครั้งก่อนๆปราณังวิยะทิสติความว่าการมาของยาจกในวันนี้ปรากฏเหมือนการมาของยาจกทั้งหลาย แต่ทิศ ต, ต่างๆในนครเชตุดรในการก่อนข้อว่าความชื่นชมยินดีทำให้พ่อมีความเกษมสารนันทโยมาภิกีระเรความว่าจำเดิมแต่การที่พ่อเห็นพรา์นั้นความสมนัดก็แผ่คลุมพ่อเป็นเหมือนเวลารดน้ำเย็นหนึ่งพันม้อลงบนศีรษะของผู้ที่ถูกแดดเผาในฤดูร้อน พระชาลีราชกุมารได้ทรงฟังพระราชบิดาตรัส ด, ดังนั้นจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระชนกนาฏแม้กล้าวกระหม่อมฉันก็เห็นผู้นั้นปรากฏเหมือนพราหมณ์ดูเหมือนเป็นคนเดินทางจากเป็นแขกของเราทั้งหลายก็และพระชาลีราชกุมารครั้นกราบทูลชนนี้แล้วได้ทรงทำความเคารพพระมหาสัตย์ เสด็จลุกไปต้อนรับพรามชูชกตรัสถามถึงการจะช่วยรับเครื่องบริขารพรามชูโชคเห็นพระชาลีราชกุมารคิดว่าเด็กคนนี้จะเป็นพระชาลีราชกุมารพระราชโอรสของพระเวสสันดรเราจะกล่าวพรุษวาจาแก่เธอเสียตั้งแต่ต้นทีเดียวคิดชะนี้แล้วจึงชี้นิ้วมือหมายให้รู้ว่าถอยไปถอยไป พระชาลีราชกุมารเสด็จบีกไปทรงคิดว่าตาพรามนี้หยาบเลอเกินเป็นอย่างไรหนอะทอดพระเนตรสรีระของชูชกก็เห็นบุรุษโทษสิบแปดประการฝ่ายพรามชูชกเข้าไปเฝ้าพระโพธิสัตว์เมื่อจะทำปฏิสันฐานจึงกล่าวว่าพระองค์ไม่มีโรคาพาธหรือหนอะพระองค์ทรงพระสําราญดีหรือ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 เราทั้งหลายไม่มีโรคาพาธเบียดเบียนอนหนึ่งเราทั้งหลายเป็นสุขสําราญดีเราเยียวยาอัตภาพด้วยการหาพลาหารสะดวกดีทั้งมูลมันผลไม้ก็มีมากทั้งเหลือบยุงและสัตว์เลื้อยคลานก็มีน้อยอนหนึ่งในป่าอันเกลื่อนกล่นไปด้วยพาละมลึกก็ไม่มีมาเบียดเบียนแก่เราเมื่อพวกเรามาอยู่ในป่า มีชีวิตอันตรงเกลียมมาตลอดเจ็ดเดือนเราเพิ่งเห็นท่านผู้เป็นพรามบูชาไฟทรงเพศอันประเสริฐถือไม้เท้าสีดังผลมาตูมและลักกระจันน้ำนี้เป็นคนแรกแน่มหาพรามท่านมาดีแล้วอันหนึ่งท่านไม่ได้มาร้ายแน่ท่านผู้เจริญเชิญท่านเข้ามาภายในเถิดเชิญล้างเท้าของท่านเถิด ผลมาพลับผลมาหาดผลมาสางผลหมากเมามีรสหวานปานน้ำพึ่งเชิญเลือกฉันแต่ผลที่ดีๆเถิ ด, ดท่านพรามแม้น้ำฉันนี้ก็เย็นสนิทเรานำมาแต่ซอกเขาแนมหาพรามถ้าท่านจำนงหวังก็เชิญดื่มตามสบายเถิดก็และพระมหาสัตว์ครั้นตรัสอย่างนี้แล้วทรงดำริว่า ครามนี้จะไม่มาสู่ป่าใหญ่นี้โดยไม่มีเหตุเราจะถามแก่ถึงเหตุที่มาไม่ให้เนิ่นช้าจึงตรัสคาถานี้ว่าดังเราขอถามท่านมาถึงป่าใหญ่เพราะเหตุปัจจัยอะไรเนอเราถามท่านแล้วขอท่านจงบอกความนั้นแก่เราเถิดบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าเพราะเหตุวันเนนะได้แก่ด้วยเหตุ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 พระราชทานสองปีโยรสแกข่าพระองค์เถิดบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าห่วงน้ำวาริวโหได้แก่ห่วงน้ำในแม่น้ำใหญ่ทั้งห้าสายคําว่าไม่มีเวลาเหือดแห้งณนะขียติความว่าคนผู้กระหายมาสู่แม่น้ำใช้มือทั้งสองบ้างภาชนะทั้งหลายบ้างตักขึ้นดื่มน้ำก็ไม่หมดสิ้นไป ข้อว่าฉันนั้นหม่อมฉันมาเพื่อขอกับพระองค์เอวันตังญาจิตาคันชิงความว่าข้าพระองค์เข้าใจว่าพระองค์เป็นผู้มีอย่างนี้เป็นรูปทีเดียวเพราะทรงเต็มเปี่ยมด้วยศรัทธาจึงได้มาทูลขอกับพระองค์ข้อว่ากล้าวกระหม่อมฉันกราบทูลขอแล้วขอพระองค์ทรงพระกรุณาพระราชทานสองปิโยรส แก่ข้าพระองค์เถิดปุตเตเมเทหิยาจิโตความว่าพระองค์อันข้าพระองค์ทูลขอแล้วโปรดพระราชทานพระโอรสพระธิดาทั้งสองของพระองค์เพื่อประโยชน์เป็นทาสของข้าพระองค์เถิดพระเวสสันดรมหาสัตว์ได้ทรงสดับคำของชูชกดังนั้นก็ทรงโสมนัสทรงยังเชิงบัรพ์ให้บัลลือลั่น ดุดบุคคลวางถุงเต็มด้วยกระหาปณะหนึ่งพันในมือของบุคคลที่เหยียดออกรับฉะนั้นตรัสว่าแนพรามเรายกให้มิได้วันไหวท่านจงเป็นใหญ่พาเอาลูกทั้งสองของเราไปเถิดพระราชบุตรีมารดาของลูกทั้งสองนี้สเสด็จไปป่าแต่เช้าเพื่อสแสวงหาผลไม้ จะ ก, กลับจากการแสวงหาผลไม้ในเวลาเย็นแน่พรามเชิญท่านอยู่ค้างเสี้ยคืนหนึ่งก่อนรุ่งเช้าค่อยไปท่านจงพากุมารกุมารีซึ่งพระมารดาของเธอให้ส่งแล้วสูตรดมที่เสียนแล้วให้ประดับด้วยนาน า, นาปุพชาติอบอวนไปด้วยกลิ่นนาน า, นาคันธชาติพร้อมไปด้วยมูลมันและผลไม้หลายชนิดเป็นสเสบียงไปเถิด บรรดาคำเหล่านั้นคำว่าเป็นใหญ่อิสโรความว่าท่านจงเป็นใหญ่คือเป็นเจ้าของพระโอรสพระธิดาทั้งสองของเรานำพาพวกเขาไปเถิดแต่ยังมีเหตุการณ์นี้อีกอย่างหนึ่งคือพระราชบุตรีมัสสีผู้เป็นพระมารดาของกุมารกุมารีเหล่านั้นไปหาพลาผลแต่เช้าจะกลับมาจากป่าเวลาเยน็น ท่านบริโภคพลาผลอร่อยๆอที่พระนางมัสีนั้นนำมาวันนี้พักอยู่คืนหนึ่งในป่านี้แหละแล้วค่อยพาเด็กทั้งสองไปแต่เชา้าทีเดียวคำว่าซึ่งพระมารดาของเธอให้สงแล้วตัดสานหาเตได้แก่พระนางมัสีสงให้แล้วคำว่าสูตรดมที่เสียนแล้วอุปสังคาเต ได้แก่สูตรดมเสียนแล้วข้อว่าให้ประดับด้วยระเบียบดอกไม้อัทะเนมาละทารินีได้แก่ตกแต่งด้วยระเบียบดอกไม้อันวิจิตนำระเบียบดอกไม้นั้นไปด้วยก็คำว่าอัทะเนท่านเขียนไว้ในคัมภีร์บาลีเนื้อความของคำนั้นท่านไม่ได้วิจารณ์ไว้คำว่า เกลื่อนไปด้วยมูลมันและผลไม้มูลและพลากินเนความว่าเกลื่อนไปด้วยมูลพลาผลต่างๆที่ให้ไว้เพื่อประโยชน์แก่สเสบียงในมักคาชูชกกล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสรศิฐข้าพระองค์ไม่ชอบใจการพักอยู่ข้าพระองค์ยินดีจะไปแม้อันตรายจะพึงมีแก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์ขอทูลลาไปทีเดียว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 พระมารดาของพระปิโยรถนั้นพึงกระทำแม้อันตรายได้ข้าพระองค์ขอทูลลาไปทีเดียวขอพระองค์จงตรัสเรียกพระลูกแก้วทั้งสองนั้นมาอย่าให้พระลูกแก้วทั้งสองได้ทันเห็นพระชนนีเลยเมื่อพระองค์ทรงบำเพ็ญทานด้วยพระราชศรัทธาบุญย่อมเจริญด้วยอาการอย่างนี้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 ณเหตายาจะโยคีนังนี้เป็นเพียงนิบาตมีคำอธิบายว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าธรรมดาสตรีเหล่านี้เป็นผู้ไม่ควรจะขอเลยคือย่อมเป็นผู้ไม่สมควรแก่การขอโดยแท้ข้อว่าเป็นผู้ทาอันตรายอันตรายยัตสการิยาความว่าย่อมกระทาอันตรายแก่บุญของทายก ประทำอันตรายแก่ลาบของยาจบคำว่ามานยามันตังความว่าสตรีทั้งหลายย่อมรู้มายาคำว่าโดยข้างซ้ายวามาโตวความว่าถือเอาสิ่งทั้งปวงโดยเบื้องซ้ายไม่ถือเอาโดยเบื้องขวาข้อ ว, ว่าบาเพ็ญทานด้วยพระราชศรัทธาศัทธายะทานังทัทธโตวความว่า เมื่อพระองค์ทรงเชื่อกรรมและผลแห่งกรรมบริจาคทานคำว่าอย่ามาสังความว่าอย่าต้องพบพระมารดาของพระกุมารกุมารีเหล่านั้นเลยคำว่ากยิราได้แก่พึงกระทาด้วยคำว่าจงตรัสเรียกอามันตยัตสุชูชกทูลว่าขอพระองค์โปรดให้ทราบว่า จะทรงไปกับข้าพระองค์ควาว่าทรงบาเพ็ญทัทธโตได้แก่เมื่อทรงบริจาคพระเวสสันดรตรัสว่าถ้าท่านไม่ปรารถนาจะเห็นพระมเหสีผู้มีวัดอันงามของเราายท่านก็จงทูลถวายชาลีกุมารและกัญหาชินากุมารีทั้งสองนี้แก่พระเจ้าสัญชัยมหาราช ผู้พระอัยกาเท้าเธอทอดพระเนตรเห็นพระกุมารกุมารีทั้งสองนี้ผู้มีเสียงไพเราะกล่าววาจาน่ารักก็จะทรงปลื้มพระหฤทยัยปรีดาปราโมทจากพระราชทานทรัพย์แก่ท่านเป็นอันมากบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าผู้พระอัยกาอัยกัตสะได้แก่ แด่พระเจ้าสัญชัยมหาราชผู้เป็นพระชนกนาถของเราคำว่าจากพระราชทานทรัพแก่ท่านทัสติเตความว่าพระเจ้าสัญชัยมหาราชพระองค์นั้นจากพระราชทานทรัพเป็นอันมากแก่ท่าน